หนังสือเรื่องธรรมะสำหรับผู้ป่วยของพระภัยสารวิสาโลตอนที่หนึ่งเหนือกายยังมีใจกล่าวกันว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นสุขติของเทวดา เมื่อเทวดาองค์ใดจะจุติเพื่อนเทวดาจะอวยพรว่าขอให้ไปเกิดในหมู่มนุษย์ฟังดูก็รู้สึกดีแต่บางครั้งคุณคงอดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าโลกมนุษย์เป็นสุขติของเทวดาเหตุใดมนุษย์เราจึงต้องมีความรู้สึกเจ็บปวดด้วยปวดหัวตัวร้อนนั้นยังพอทำเนาแต่เจ็บปวดเวลาแข้งขาหัก หรือไฟไหม้น้ำร้อนลวกนั้นบางครั้งรู้สึกเหมือนกับตกนรกเลยทีเดียวมองให้ดีๆความเจ็บปวดก็มีประโยชน์มันช่วยป้องกันไม่ให้เราถลำเข้าไปในอันตรายถ้าเราไม่รู้สึกปวดเวลาโดนของแหลมแทงนิ้วเราก็จะปล่อยให้มันทิ่มลึกขึ้นแทนที่จะรีบดึงนิ้วออกมามีหลายคนที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดตั้งแต่เกิด คนเหล่านี้จะมีลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันคือมีแผลเต็มตัวบางคนลิ้นหายไปหนึ่งในสามเพราะกัดลิ้นแล้วไม่รู้สึกเจ็บจึงกัดเข้าไปเต็มที่ลิ้นมีแผลลึกแผลไม่ทันหายก็กัดซ้ำกัดซากจนลิ้นเน่ากุดในที่สุดแต่ถึงแม้ความเจ็บปวดจะมีประโยชน์ข้อเสียก็คือมันทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะในยามที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังจริงอยู่ยุคนี้วิทยาการก้าวหน้ากว่าแต่ก่อนมียาระงับปวดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ข่าวร้ายก็คือยาที่ดีที่สุดเวลานี้ยังไม่สามารถระงับความเจ็บปวดบางประเภทได้ฟังแล้วอย่าพึ่งหมดหวังเพราะถึงแม้เทคโนโลยีทุกวันนี้มีขีดจากัด แต่ข่าวดีก็คือยาระงับปวดที่ดีกว่าเทคโนโลยียังมีอยู่มันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยหากอยู่ที่ใจของเรานั่นเองเมื่อ8ปดปีที่แล้วมีการทดลองผ่าตัดคนไข้คนหนึ่งที่เป็นโรคเจ็บข้อหลังจากหมอให้ยาชาแล้วก็กรีดหัวเข่าของเขาแต่ไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นเมื่อแผลสมานแล้ว คนไข้เล่าว่ารู้สึกดีขึ้นความเจ็บทุเลาไปมากยิ่งกว่านั้นก็คือข้อเข่าของเขาทำงานดีขึ้นอีกรายหนึ่งประสบอุบัติเหตุถูกไฟไหม้ถึงร้อยละเจ็ดสิบของร่างกายเขาร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเรียกหายาระงับปวดทุกคืนแต่หลังจากหมอให้มอร์ฟีนไประยะหนึ่ง ก็หยุดให้เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่คนไข้ผลก็คือคนไข้ทุรนทุรายร้องขอยาระงับปวดพยาบาลทนไม่ไหวจึงกลับไปที่ห้องแล้วฉีดยาให้เขาสักพักคนไข้ก็หลับไปเมื่อมีคนถามเธอว่าทำไมถึงฉีดยาระงับปวดให้คนไข้ในเมื่อหมอสั่งห้ามเธอตอบว่าเธอแค่ฉีดน้าเกลือให้คนไข้เท่านั้น ทั้งสองกรณีคนไข้ไม่ได้รับการรักษาหรือยาระงับปวดเลยแต่กลับรู้สึกดีขึ้นเพราะใจเชื่อว่าเขาได้รับการเยียวยาแล้วเพียงเชื่อเช่นนี้ก็ช่วยลดความเจ็บปวดลงได้จิตใจของคนเรามีพลังในการเยียวยาร่างกายหรือระงับความเจ็บปวดได้พลังนั้นจะทำงานได้ก็ต้องอาศัยความเชื่อหรือศรัทธา ถ้าเรามีศรัทธาในหมอหรือตัวยาผลดีต่อร่างกายก็จะเกิดขึ้นทันทีที่หมอลงมือรักษาหรือเมื่อได้รับยามีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอาสาสมัคร82คนได้รับเชิญให้ร่วมทดสอบคุณภาพของยาระงับปวดตัวใหม่ที่ชื่อว่าวาลีโดนซึ่งให้ผลรวดเร็วกว่ายาที่มีอยู่ ทุกคนจะถูกช็อตด้วยไฟฟ้าที่ข้อมือจากนั้นก็ให้ระบุว่ารู้สึกเจ็บปวดมากน้อยเพียงใดทีนี้ก็ให้ทุกคนกินยาวาลิโดนครึ่งหนึ่งได้รับการบอกเล่าว่ายาตัวนี้เม็ดละ 2, สองเหรียญห้าเซนอีกครึ่งหนึ่งได้รับการบอกว่ายาราคา10เซนเสร็จแล้วก็มีการช็อตด้วยไฟฟ้าอีกครั้ง 185ลของคนกลุ่มแรกที่ได้ยาราคาสองเหรียญหบเซนบอกว่าความเจ็บปวดลดลงมากส่วนกลุ่มหลังมีเพียงร้อยละที่เจ็บน้อยลงหลังจากการทดลองก็มีการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วยาที่ให้แก่อาสาสมัครทั้งหมดนั้นเป็นยาปลอมการทดลองดังกล่าวจึงชี้ว่า นอกจากความเชื่อจะมีผลต่อการลดความเจ็บปวดแล้วราคาของยาก็มีผลต่อความคาดหวังและประสิท ธ, ธิภาพด้วยยายิ่งมีราคาแพงความคาดหวังหรือความเชื่อถือก็ยิ่งสูงจึงช่วยลดความเจ็บปวดได้มากขึ้นความศรัทธาหรือความเชื่อนั้นมีผลต่อการระงับปวดแต่ศรัทธาไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้ สมาธิก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บรรเทาปวดได้ดีมีผู้ป่วยมะเร็งหลายคนที่สงบนิ่งได้โดยไม่ใช้ยาเลยแม้ถูกความเจ็บปวดบีบคั้นรุนแรงเนื่องจากมีสมาธิอยู่กับลมหายใจอีกรายหนึ่งที่น่าทึ่งมากตอนที่ผ่าตัดเปลี่ยนไตนั้นเธอแพ้ยาแก้ปวดจนอาเจียนแผลระบมหมอไม่รู้จะทำอย่างไร แต่พอเธอได้สติก็ขอพาราเซตามอลเม็ดเดียวจากนั้นก็ตั้งสมาธิจดจ่ออยู่กับลมหายใจจนหลับไประหว่างที่หมอผ่าตัดเธอไม่ส่งเสียงร้องเจ็บเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้ธรรมชาติจะให้ความเจ็บปวดมาพร้อมกับร่างกายนี้แต่นั่นไม่ใช่เป็นเคราะห์กรรมของมนุษย์เพราะในเวลาเดียวกันธรรมชาติก็ให้ใจแก่เรา เพื่อรับมือกับความเจ็บปวดและเอาชนะเคราะห์กรรมทั้งหลายด้วย